ที่นี่เหมือนร้านอาหารตามสั่งอยากต้องการทํามะจะในไหนก็ต้องสั่งอยากจะถามเรื่องธรรมะเรื่องไหนก็ถามได้สั่งได้เหมือนร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารเราสั่งอาหารที่เราต้องการใช่ไหมมที่นี่ก็ต้องมาสั่งธรรมะที่เราต้องการไม่รู้จะทําอะไรให้กินนะ ทำหมดทุกเมรูเลยหนูฟังไม่รู้เรื่องหรอจ้าไม่รู้เรื่องเไม่ต้องไม่้ะอ่องไ่เขาไใช่ไม่องกอไ่ขไข่ได้ลูก ABC ได้ก่อนหนูข้ไม่เคยกนนะเนี่ writers u 我送你一杯小花茶，一杯小花茶。三步走，冰箱上上班。 สุกตุลูกก so okay. so so ังเซามส่สเะเทาลคะโตสวัสดัตสน ผู mm ้คนต่ต่าาวที่ตัวฉันนั้นปว่ตองรสกสปต้อายต ค uh ุณเจ้าหน้าที่อาาคจะูอะไรเอ๊ะตาขาว ได้เปล่าเก่งมากเลยตั้งแต่เกิดมาหลวงพ่อคงเจอคนนี้เก่งมากใครสอนหรือจ้่แม่เลย แม่สอนที่ที่โรงเรียนสอน น, สอน่คนะคะ่ะใช่ไหคะคือแม่สอนเลือกที่โรงเรียนสอนหนูสอนเองคะอ่ะสอนเนองนะดีมากเป็นแม่ที่ดีเนี่ยอสอนให้ลูกสวดมนค่ะดีกว่าสอนให้ลกไปเที่ยวให้เขาสวดมนทุกคืนกอง น, นอนค่ะเที่ยงทุกคืนเลยนะเออสวดอิติปิโสบ้างทุกคืนบ้างบางคืนแต่ว่าทุกคืนจะต้องสวดบท พระแก้วมารโกดวาระลูกกลางสงวางวาันงาแล้วก็บววนบทเมตตากับบทหลวงปูด่ดัวดะคะแต่ว่าท่องนโมเริ่มต้นแผ่เมตตายังไม่ได้สอ น, นะคะ่ะโอเคสาตารนะตนนเก่งมากนะหนูหนูพยายามทาทุกคืนนะก่อนจะนอนวหนูจะนอนหลับฝันดี เดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนะมันที่ส่วนมนเป็นเนี่ยชาวพุทธเรามีของดีๆเนี่ยชาวพุทธเรามีของดีๆเนี่ยส่วนมนเนี่ยเป็นของดีมากเป็นการเจริญสติธรรมานุสติพุทโธนสติพุทธานุสติสังฆานุสติเแล้วจิตใจจะมีที่ยึดเหนี่ยว ใจจ ะ, ะไม่คุ้งร่างใจจะสงบ น, น่นั่งอยู่เฉยได้เนะี่ยสอนกันมาแล้วค่ะว่าถ้าขึ้นมาห้ามดังน ะ, ะห้ามร้องห้างห้ามหลอกเสียงนะเตือนไวแล้วค่ ะ, ะคราองข้างบทนี้มีแต่คนที่เขานั่งเฉยเฉยนะ นั่งเฉยๆไม่ได้ก็หลับไปเลยหลับได้ไม่เป็นไรยาเยอ้นี่มาจากที่ไหนมันาด้วยกัมาด้วยกันทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดไม่ทั้หมดก็้แล้วแลความประถุได้วยแล้วความประทุเคยตามจับพระอาจารย์ตามจับเฟนบุกเลยแล้วก็คุณแม่ค่ะ เคไปปฏิบัติทรรมที่ไหนบ้างคะค่ะไปที่พระปฐมเดีย์ค่ะแล้วก็คุณแม่คุณน้องก็เคยไปที่พระอาจารย์สันนะคะอาจารย์ตันที่วัดปถมเจดีก็ก็มีที่ปฏิบัติธรรมเลยมีค่ะมีที่<ม>พักใหพัก อ, อ, อ, อยู่ได้เลยค่ะอ่าใได้อยอยู่ได้ ที่พักให้ญาติโยมอยู่เยอะไหมประมาณส0บกุ๊ตนะคะสิบกรุ๊ตเป็อยู่ได้ครั้งว่ากี่วันก็แล้วแต่เราเลยค่ะเราอยากอยากไปนะคะแล้วมีใครประโคมสับสอนอยูที่วัดมีค่ะเป็นหลวงพ่อ ผมที่เป็นผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยดาวาดาวาขยนะันแล้วมีปัญหาอะไรไหมไปโรงเรนก็สงบดีอ่ะค่ะแล้วก็คอยฟังของพระอาจารย์ที่ตามยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอะ ก็ยังรูสึกว่าต้องต้องเพียนมากกว่านี้อิดมากอะค่ะเพียนอะไรสร้างสติเพียนเพียนภาวนาอย่างนั่งไม่บ้กคอเลยช่วงที่ไม่ยังนั่งเพียนสร้างสติอยู่เปล่าพยายามดึงจิตไว้อยาปล่อยให้เคลื่อนเลื่อยเปิดยังกลับมาด้วยพุทโธพุทโธพุทโธ ก็สวดมนต์อย่างที่หนูสวดนี้ก็ได้สวดอิติปิโสไปรอจบสดวดรอใจจะเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นานเวลานั่งนี้ต้องมีอะไรกากับจิตอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูจิตนั่งสมาธิเพื่อนั่งอยู่จิตสมาธิก็คือความสงบความนิ่งของจิต ธรรมาดาจิตของเราจะไม่ยอมนิ่งจะชอบคิดเมื่อยเปื่อยคิดแล้วก็เกิดอารมณ์หนักขึ้นมาถ้าอารมณ์ดีก็แล้วไปแต่พอไปเจออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ทำให้เราวุ่นวายใจให้เสียใจให้ทุกข์ใจแต่ถ้าเรารู้จักหยุดจิตเราก็จะสามารถดับความวุ่นวายใจความทุกข์ใจได้ สมาี่นี่ก็เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนตนี้ถ้าเราไม่มีเบรกเราจะไม่กล้าขับออกไปข้างนอกนะพอเดี๋ยวถึงสี่แยกไฟแดงต้องหยุดนี่หยุดไม่ได้ถ้าไม่มีเบรกใจของเราก็ต้องมีเบรกเวลาโลภเราจะได้หยุดมันได้เวลาโกรธเราจะได้หยุดมันได้เวลาเสียใจเวลาน้อยใจ เวลาวุ่นวายใจกระซับกระายกระวลกงวายใช้สมาธิใช้สติอย่ไม่นได้ถ้ายัางไม่ไนั่งสมาธิก็สวดบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนตสวดอิติปิโสไปถ้าเราไม่สวดทำก่อนเวลาเกิดอารมณ์มันจะทำไม่ได้ เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกพอถึงเวลาจะเบรกมันเบรกไม่ได้เราต้องติดเบรกก่อนเราต้องติดสติให้กับใจเราก่อนจเจริญสติการสวดมนต์การบริกรรมพุทโธนี่เป็นการติดเบรกเป็นการสร้างสติให้กับใจถ้าเรามีสติเวลาใจเราวุ่นวายเราก็ใช้สติหยุดได้บรกรมพุทโธพุทโธพุทโธไป เดี๋ยวเดียวห้านาทีอารมณ์วุ่นวายก็จะหาไปถ้าไม่มีนี่บางทีวุ่นวายไปทั้งวันเพราะไม่รู้จักวิธีหยุดเราสามารถควบคุมใจเราได้ด้วยการมีสติและถ้าเราต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธินั่งให้มันนิ่งเต็มที่ก็ต้องนั่งนั่งเฉย นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็บริกรรมพูดโทรไปหรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างใดอย่างหนึง่งก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องรวมกก็ได้ไม่ต้องพูดเข้าโทรออกก็ได้แตบริกรรมอย่างเดียวโดยไม่ที่ไม่ต้องดูลมก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวไม่ต้องบรรกรรมก็ได้ขอให้มีอะไรกำกับใจไว้ไม่ให้ใจคิดด้วยเปิืย เ, เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขความสุขที่นี้เหนือความความสุขทั้งปว ง, ค ว, วาา ง, งปความสุขที่เหนือกว่าการได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านความสุขที่เหนือกว่าการได้ตำแหน่งต่างๆความสุขที่เหนือกว่าการได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอ มีแล้วกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสถ้าทําสมาธิได้ลราเราจะไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นทุกครั้งอยากจะมีความสุขล้วก็นั่งสมาธิกันใจสงบแล้วก็เหมือนกับได้เงินร้อยล้านทําร้านดีกว่าดีกว่าร้อยล้านพันล้านดีกว่าได้ตําแหน่งสูง นี่เป็นของวิเศษของที่เรียกว่าเป็นเป็นเพชรเป็นพลอยที่แท้จริงความสุขที่ได้าจากความสงบจากสมาธิแต่ความสุขจากสมาธินี่เป็นความสุขชั่วคราวอยู่เวลาที่สงบเวลาอยู่ในสมาธิก็มีความสุขนี้แต่พอเราออกจากสมาธิมามาคิดมาทำอะไร เดี๋ยวเราก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาหมก็จากสมาธิมาก็ต้องใช้สติคอยกากับใจต่อไปคอยบริกรรมพุโทโธไปคอยสวดมนต์ไปหรือถ้าจะใช้ปัญญาได้ใช้ปัญญาได้ยิ่งดีเพราะปัญญาจะทำให้ใจสงบอย่างถาวร เป็นท่าใจออกมาวุ่นวายเพราความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญามาหยุดความอยากบอะว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาหมดเวลาสั้เสียไปก็เสียใจแล้วก็จะทําให้เกิดอยากได้ขึ้นมาเอง อน่าใจก็ต้องกังกวนกวาดกระสับกรสายต้องดิ้นนนเพื่อไปเอาสิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาบอกว่าไม่ทําตามความอยากดีกว่ากลับมาอยู่ที่สมาธิดีกว่ากลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธดีกว่าพอเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวเดีย ว, ยวความอยากก็จะหยุดไปไป ต, ต่อไปความอยากมันจะเบาลงไปเรื่อย พอทุกครั้งที่มันอยากเราก็อยากไปทำตามความอยากเราก็พุโทโธพุโทโธไปต่อไปก็เลิกอยากได้แล้วพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็สบายไม่มีอะไรมาบรบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจพวกเราก็คือความอยากต่างๆนี่เองความอยากความโลภที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพระพุทธเจ้าบอกว่า มหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่ไม่พอคนจะอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้คือก็อยากได้สอบได้สอบก็อยากได้วาตอนต้องเป็นเด็กๆได้วันละร้อยก็ดีใจแล้วไปโรงเรียนพอทำงาน วันละร้อยก็ไม่พอใช้ ว, วันลพันเนี้ยพอได้เงินเดือนสูงขึง้นวันละพันก็ไม่พอใช้ซื้อของซื้อของถูกๆไม่ได้ต้องซื้อของแพงๆมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะใช้มากขึ้นไปเท่านั้นแต่ความสุขได้ก็เหมือนเดิมความสุขที่ได้จากเงินร้อยกับความสุขที่ได้จากเงินมืนก็เหมือนกันตอนที่เรา ได้เงินน้อยข้าง้งแรกเราก็ดีใจเหมือนกับตอนที่เราได้เงินบือนข้าง้งแรกเราก็ดีใจมันก็ดีใจเหมือนกันแล้วมันก็หายไปเหมือนกันแล้วมันก็อยากได้มากกว่านั้นนัวนนี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขกันเพราะมันจะทำให้เราเหนื่อยจะทำให้เราอไม่ตกกังวลเพราะว่า สิ่งที่เราหามานี่มันมีโอกาสที่จะหมดได้แล้วการจะหามาใหม่มันก็ไม่แน่นอนเช่นเงินทองเวลาได้มาเนี่ยมันหมดง่ายใช้ง่ายหมดเร็วแต่เวลาจะหาใหม่นี่มันหายากแล้วไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้ดังนั้นอย่าหาความสุขจากการหาเงินใช้เงินดีกว่าเลิกมันดีกว่า ว่ามันจะทำให้เราต้องกังวลกังวลวิตกกังวลอยู่ไม่มีวันจบสิ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเสื้อมมาหาความสุขจากการไม่อยากหาเงินดีกว่าไม่อยากใช้เงินดีกว่าเรื่องการไม่ไปทําตามความอยากอยากจะซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นก็อยากซื้ออาจะซื้อต้องซื้อสิ่งที่จําเป็นจริงๆ วิธีที่จะรู้ว่าจําเป็นไม่จําเป็นถ้าถามว่าถามตัวเองว่าถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราจะตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นเช่นตอนนี้อยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่จําเป็นไหมเสื้อผ้าชุดเก่าใส่ไม่ไดไ้ยังไงถ้าเป็นเครื่องแบบอะจําเป็นตซื้อเพราะว่าเราไปทํางานที่ใหม่ต้องมีเครื่องแบบให้เราต้องสใส่หน่อย นก็ซื้อได้เพราะมันจำเป็นถ้ามันจาเป็นอยากไปซื้อดีกว่าเพราะมันจะหมดเงินไปเปล่าๆมันไม่ได้ความสุขมากมายอะไรหรอกได้ความสุขเดียวๆแล้วก็จะได้ความวุ่นวายใจายตามมาเพราะจะต้องไปหาเงินใหม่ต้องไปหาเงินมาอยู่เรื่อยๆต้องถ่อมโทษถ่งความอยา เหสิ่งที่เราได้มาแล้วจะทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันจะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลามันจากเราไปแล้วก็เสียใจนี่คือปัญญามองเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นเป็นทุกข์เรามองกับตาละปัดกันมองตรงนั้นข้ามกับความเป็นจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอเวลาเขาไม่เป็นของเราขึ้นมาน้องห่มล่องผ้ากันทึ่เวลาเขาจากเขาไปก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วจะปะจะจากไปด้วยความตายหรือจากไปด้วยเพราะเขาไม่ต้องการจะอยู่กับเราแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้เป็นของเราแลเราต้องหัดมาดูความจริงกัน เรื่องปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เราอาศัยเนี่ยเพราะเราไม่มีปัญญาของเราเองพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นทุกข์ทุกพออะไรทุกพอมันไม่เที่ยงเอมันไม่ได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆมีเท่าเดิม ได้มาแล้วก็มันก็จะหดแม้แต่เงินเท่านี่ยเอามาแล้วไม่ได้ใช้เล ย, ยเดี๋ยวอีกสิบปีนี่ค่างของเงินก็ลดลงไปแล้วเงินร้อยบาทก็จะเหลือแค่เก้าสิบบาทคอยซื้อของได้ร้อยบาทอีกสิบปีก็ซื้อได้แค่เก้าสิบบาทสมัยที่เราเป็นเด็กนี่ลดปิกอัพคัางหนึ่ง6ก0มื7นเจ็ดมื่นี๋ยนี้คันอเท่าไหร่ หกเจ็ 7, 000, 7 8, 000, ดแานเจ็ดแปดแสนลดเหมือนกันอแต่ต้องใช้เงินมากขึ้นเพราะเงินมันหดอันนี้มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องมองความจริงกันอย่าไปมองอความรู้สึกเราจะมองสิ่ ง, งต่างๆตามความรู้สึกเห็นอยะไรที่เราชอบแล้วก็ต้องให้ความสุขกับเรา แต่พอมันหายไปพอมันเปลี่ยนไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นเนี่ยเรามไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราคิดว่าได้ามาแล้จะเหมือนเดิมไปตลอดของทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนมันต้องเสื่อมรดซื้อมาเดี๋ยไม่กี่เดือนกี่ปีแล้วก็เสียละพอเสียก็ทําให้เราปวดหัวละ จะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องเอาเข้าอู่ต้องซ่อมต้องเสียเงินนีกความสุขที่ได้จากรถก็กลายเป็นความทุกข์ไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดทุกอย่างจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันเปลี่ยนแปลงแล้วมีวันจากกันดังนั้นถ้าเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเช่นลาบยศสรรเสริญรื้เสียงกลิ่นรถ เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่สามารถที่เราจะเก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอดเราก็อย่าเอามันมีก่อนเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอย่งนี้ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นถ้าเรามีสติเราสามารถสร้างความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งอย่างนี้ยังจะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป นั่งหลับตาเดียวเดียวใจก็สบสบายมีความสุขถ้าเราทำบ่อยๆต่อไปเราจะมันจะง่ายมันจะไม่ยากมันจะทำให้เราอิ่มใจไม่หิวเวลายอยากได้อะไรปัญญาก็จะมาบอกว่ามันเป็นทุกข์เหนื่อยไปกับตายืนเฉยดีอยู่แล้วอย่าไปแขวนเท้าหาเสี้ยนเลย ไปหาอะไรก็แค่ก็ไปหาความทุกข์ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็ล้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเวลาอยู่ก็วิตกกังวลห่วงานกันกลัวว่าจะจากกันกลัวว่าจะไม่ได้พบกันอีกนี่แหละเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันมันต้องเสื่อมมันต้องหมดมันต้องจากเราไป ไม่ช้าก็เลยวถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะเราไม่อยากจะได้ความทุกข์เพราะเราจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่เราเคยที่เราเคยอยากได้นี้มันเป็นทุกข์แน่นอนพอเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปก็ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็จะอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่แบบไม่มีอะไรมีแค่สมบัติแปดชิ้น คืออาถบริขารเป็นสมบัติที่ำจำเป็นต่อาการดำรงชีพของนักบวชบาดไว้หาอาหารผ้าตายก็ผ้าสามผืนไว้นุ่งห่มแขนขานรัดเอวหนึ่งเส้นใบนโกร น, นโกรนไว้สบงบปองปองผงปองหนวด เข็มก็ได้ไว้สําหรับซ่อมจีวรเวลามันขาดแล้วก็ที่กรองน้ําเพราะสมัยก่อนต้องตักน้ําเดินจากลาห้วยลําทานที่มีตัวสัตว์มีลูกน้ํามีอะไรเราต้องใช้ที่กรองตักขึ้นมาก็จะได้น้ําโดยที่ไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมานี่คือสมบัติของผู้ที่รู้โทษของของสิ่งต่าง ที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นราบยศถลเลขเสร็งเช่นรูปเสียงเกลรดว่าเป็นทุกข์เนี่ยพราะพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านไม่เสพลาบยศถลเลขเสร็งท่านไม่เสพรูปเสียงเกล็ดเหมือนพวกเราเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงอ น, นิจจ์ทุกขังทุกเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยววันดีคืนดีก็ ต้องไปจากเราไปคนฉลาดคนมีปัญญาก็เลยไม่เสก ร, ราบยศสรเสริญไม่เสกลูกเสียงกิ่งโนเสกแต่ความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้ไม่มีความอยากแล้วก็จะได้นิพพานาใจไม่มีความอยากลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะได้นิพพาน คือความสงบที่ถาวรความสงบที่ได้จากสมาธิยังเป็นความสงบชั่วคราวอยู่แต่ถ้าเรากําจัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาได้หมดใจก็จะได้มิพานขึ้นมาได้ความสงบที่ถาวรความสความสงบที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุขไม่มีวันหมดใจของพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่อย่างมีความสุขอยู่ ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายสิ่งที่ตายก็คือร่างกายของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เป็นร่างไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธเจ้าตัวของพระพุทธเจ้าก็คือใจใจที่ตอนนี้เป็นนิพพานไปแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไปอย่างถาวรไม่มีวันชิ่นสุดให้เหมือนกับใจของเรา ยังเป็นวัตถะสงสารอยู่ยังมียนว่ายตายเกิดในกามะพบในรูปะพบในอรูปะพบอยู่เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปเกิดในภพไหนเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายเกิดเป็นเดรัจฉานเดี๋ยวก็ต้องตายเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นผีก็ต้องตายเกิดเป็นเทวดาเป็นธมเดี๋ยวก็ต้องตาย ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นนู่นเป็นนี่ใหม่ตามบุญตามบาที่ทำเอาไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิ้นถ้าใจไม่ได้กําจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจจะกําจัดได้ก็ต้องมีปัญญาของพระ พ, พุทธเจ้าเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเห็นด้วยตัวของเราเองว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา แม้แต่มีพระเจ้ามาบอกเราพู้เรายังมองไม่เห็นกันเลยยังไม่เข้าใจว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรแล้วเราขณะมีคนบอกยังเรายังมองไม่เห็นแล้วเราไม่มีคนบอกเราจะเห็นได้อย่างไรคือตัวเราเองไม่มีมันเลยแต่ถ้ามีคนบอกแล้วเราพยายามคิดตามที่คนบอกบอกให้ดูสิของที่เราได้มาเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเดี๋ยว เราจะเก็บมันไว้ได้ตลอดไหเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสื่อมพอมันเสื่อมเวลามันไปมันก็ทําให้เราทุกข์กันอันนี้เราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเราถึงจะไปนิพพานกันได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกมาสอนมาบอก เราจะไม่มีโอกาสที่จะไปนไิพพานกันได้เราก็จะเวียนว่าการเกิดในตายพบนี้ไปยเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสานาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าอีกครั้งหนึ่งนี่นอีกสี่แสนล้านปีอีกสี่แสนล้านชาติไม่รู้ชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นมหาเป็นมหาลาภ ที่ได้มาเจอพรพุทธศาสนาได้มาพบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าได้พบกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนาาัตตาที่ไม่มีใครรู้กันมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาลาบยกสรรเสริญความสุขทางตารุ้จมุกเรื่องกายนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตานั้น ถ้าใครไปแตะแล้วต้องทุกข์แน่แถ้าใครไปเอามาครอบคลองแล้วต้องทุกแน่แนเป็นเหมือนยาพิษถ้าใครดื่มก็ไปแล้วก็ต้องตายแน่ๆ แ, แต่เราไม่รู้กันเราชอบดื่มยาพิษกันเหมือนแล้วก็ทุกกันมีราบลโยนนักเสียงกิน่นองแล้วก็มาทุกกันทุกเวลาที่เจจกิดการพักผาคจากกัน ไม่มีใครยังไม่พัดผ้าจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นวทุกคนต้องพัดผ้าช้าหรือเรวมากหรือน้อยเท่นั้นเองเพราะว่าเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรมากับเราเราไม่ไดเอาลาบยศสรรเสริญไม่ไดเอารูปเสียงกลิ่นติดมากับเราเราไม่สามารถเอาติดมาไดจากชาติก่อนทั้นใดชาตินี้เราก็ไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไป เวลาที่ร่างกายตายแล้วก็ต้องทิ้งหมดเลยทิ้งลาบยศชนลดแสงทิ้งรูปสิ้งกลิ่นลดของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของหลานของเะลรนของพ่อของแม่เอาไปไม่ได้สักคนสักอย่างในลานั้นก็ร้องโหมร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกัพวกเราจริงกลัวความตายกันเนี่ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ตายเรากลับกลัวกัน ผู้ที่ตายไม่ใช่เราผู้ที่ตายก็คือร่างกายแต่เราไม่อยากจะจากร่างกายเราไม่อยากจะเสียร่างกายเพราะเราใช้ร่างกาย เ, ออเป็นเครื่องมือหาราบยึดสรรมเสรหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายพอเราจะต้องเสียเครื่องมือเราก็ไม่อยากจะเสียเพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้วเราไม่รู้จะไปหาความสุขจากอะไรได้ น, นี่แหละถึงทาให้เรากลัวกันแต่ถ้าเราหาความสุขจากการนั่งสมาธิได้การใช้ปัญญาได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่กลัวเวลาร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรายังมีความสุขได้มีความสุขจากพุทโธมีความสุขจากอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพุทโธปับอนิจจังทุกขังอนัตตาปั๊บจิตก็สงบเลย ไม่ทุกเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้โลกเป็นเป็นที่พึ่งของโลกสักครั้งหนึ่งตัวเราเี่ยการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถ้าเปรียบเทียบนี่มันยากยิ่งกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งสิ ถูกวตตรีรางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งง่ายกว่าการได้มาเจอพระพุทธศาสนาจาน้ามีเราเคถูกวัตตรีรางวัลที่หนึงงน่งกันให้มันเฉียดยังไม่เฉียนเลยไอ้มันถูกสักห้าตัวยังไม่ถูกเลยไปดูเราจะไม่ถูกหกตัวตรงเป๊ะเนี่ยมันยากขนาดไหนนั่นแะการที่มาได้มาเจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งก็ยาก ยากยิ่งกว่าการถูกบัลลังก์ตตงวันที่หนึ่งสิเพราะศาสนาพูดนนานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งน า, นานจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดชโลมสักองค์เป็นล้านล้านชาติเนี่ยไม่ใช่แสนล้านชาติป่าจะมีกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งครั้งนี้เราถูกรางวันที่หนึ่งแล้วเราต้องรีบไปขึ้นรางวันแล้วใช่ไหม ยาเก็บลอตตอรี่ไว้เฉยๆในกระเป๋าไม่เกิดประโยชน์อะไรเก็บไว้ก็เป็นแค่กระดาษใบแต่ถ้าเราไปขึ้นที่สำ น, นักสลากกินแบ่งเราก็จะได้รางวัลกลับมาเราได้รางวัลจากพระพุทธศาสนาแล้วคือนิพพานเราต้องไปขึ้นนะเราได้สอบสนานี่เป็นเหมือนลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เรายังไม่ได้รับรางวัลเราต้องไปขึ้นรางวัล มีเกิดขึ้นรางวัลก็คือเนี่ยมานั่งสมาธิมืาเจริญปัญญากันถ้าเราจะได้นิพพานกันถ้าเราไม่ยังสมาธิไม่เจริญปัญญาถึงแม้จะถูกก็ตะลึงรางวัลที่หนึ่งก็จะไม่ได้รางวัลเพราะเราไม่ไปขึ้นรางวัลเก็บไว้เฉยๆเก็ไไกบไว้ในกระเป๋าเป็นแค่กระาดาษใบเดียวเนี่ยการนี้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับ พ, พระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนเหมือนกับการถู ก, กตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แต่ยังต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือต้องมาปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาทำไมเราต้องรักษาสีนเพราะถ้าเราไม่รักษาสีนเราจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาเจริญปัญญาเพราะเราจะเอาเวลาไปหาลาบยศสรรเสริญหาลูกเสียงขิงแล้วกันแต่พอเรามาถือศีลแปดหรือสีสิบหรือศีนสองอยี่สบนี่ เราไปหาลาบลดจันละแสงไปหาลูกเสียงกินรถไม่ได้แล้วเพราะศีลจะห้ามหมดเลยห้ามไม่ให้ไปหาลาบลดจันละแสงไม่ให้ไปหาลูกเสียงกิน่นรถให้มหาสมาธิให้มหาปัญญาแทนพอเรามีเวลาเราก็มาหาสมาธิมหาปัญญาถ้ามีครูอาจารย์คอยสอนยิ่งงา่ายใหญ่มีครูอาจารย์คอยสอนคอยเตือนอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่มีครูอาจารย์คอยเจือนเนี่เดี๋ยวล้วเผลอก็ไปละเดี๋ยวก็เผลอไปหาราบยศสารเสรียงแต่หารูปเสียง ก, ล, กยงลิ่นร้อนไปละอันนั้นมาบวชนี่ยังเผลอไปเลยพระบลวงรุ่มระบวชปัานแล้วก็ไปหาเงินไปเพื่อจะไปสร้างโบสถ์สร้างเกีย์ดีะ แ, แทนที่จะมาหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญากลับไปหาเงินเพื่อไปสร้างโบสถ์สร้างเกีย์ดีสร้างกุตติอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะไปขึ้นรางวัลที่หนึ่ง ขอโมลีพระเจ้าบอกว่าอยู่ตามมีทางเกิดปุติไม่มีก็อยู่ตามโคนไม้เอาบมเอากิ่งงไม้กิ่งไม้มาทำเพื่อเป็นเพิงหลบแดบดบหลบฝนก็พออยู่ไม่ต้องอยากไปวุ่นวายกับการที่จะไปสร้างปุติสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดเลยนันไม่ใช่เป็นวิธีขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลก็คือไปหาที่นั่งสมาธิไปหาที่เจริญกัญญา เรื่องที่อยู่อาสาัยก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่สงวนที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพระพุทธเจ้าทรงไม่มีกุตินสมัยที่ท่านปฏิบัติเห็นไหมท่านตัดสู้ที่ไหนโค่นต้นไม้ไหท่านไม่มีกุติอยู่อาจจะทําเป็นเพิงหรืออาจจะอยู่ตามเนื้อผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างแต่ท่านไม่มีกุติไม่มีวัด หมายที่ท่านบำเพ็ญถ้าไม่สนใจของตวงนี้ท่านสนใจอย่างเดียวคือสมาธิกับปัญญาเพราะท่านต้องการขึ้นรางวัลต้องการพระนิพพานเป็นผลตอบแทนกุติมันก็ให้ความสุขแค่เชั่วเขา้าทางร่างกายแต่ใจก็ยังวุ่นวายอยู่ใจก็ยังโลภยังโกรธอยู่มีโบ่นมีเจดีก็เท่านั้นเหมือนกันไม่ไม่สามารถหยุบความโลภโกรธหงหยุบความทุกข์ต่างๆได้ งานพวกนี้เป็นงานเสริม เ, ออเป็นงานที่ญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะทำบุญอันนี้เป็นงานของญาติโยมงานงานผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชแล้วต้องไปทำศีลสมาธิปัญญาถ้ายังเป็นผู้ครองเองินอยู่ก็ทำบุญมกษาศีลห้าไปก่อนออมีเงินทองรู้ว่าตายไปก็เอาอไปไม่ได้ก็เอามาแปลงเป็นบุญเช่ไ มาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันเนี้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามตามฐานะของญาติโยมแต่ฐานะของพระนี่หรือของนักปฏิบัตินี่ไม่ใช่มาสร้างกุติสร้างเจดีย์สร้างอะไรให้มาสร้างสมาธิสร้างปัญญากันด้วยการรักษาศีลศีลก็จะห้ามไม่ให้เราไปหาลาบยศฉรถถเสริญหาลูกเสียงกิ่นนด เแต่นะักบวชสมัยนี้ไม่มีใครสั่งใครสอนหรือสั่งสอนก็สอนสอนไปในทางที่ผิดสอนให้ไปสร้างวัดการสร้างโบสถ์สร้างเจดีกันไม่ได้สอนให้ไปสร้างนิพพานยมันก็เลยไม่มีนิพพานให้มามาแจกให้ญาติโยมกันนานๆจะมีพระที่อทำตาม ท, ที่พระเจ้าสอนสักครั้งหนึ่งเช่นหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นนี่ท่าน ไม่เอาวัดวาลาไม่เอาไปอยู่ในปา่าคนเดียวไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนได้นิพพานพอได้นิพพานแล้วก็เอามาแจกคนอื่นลูกศิษย์ลูกหาที่บวชแล้วไปอยู่กับท่านท่านเรานิพพานมาแจกท่านไม่ได้แจกกุตติท่านไม่ได้แจกอะไรเงินทองไม่มีแจกแต่นิพพานไรไปอยู่กับท่านศึกษากับท่านเดี๋ยวก็ได้นิพพานกัน ลูกศิษย์ลูกค้าของหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เรากล่าวไหว้กันหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่หนหลวงปู่อะไรต่างๆเนีหลวงปู่แวนท่านเหล่านี้ท่านาด้ที่ผ่านจากหลวงปู่มั่นอเองเพราะท่านทําตามที่หลวงปู่มั่นสอนเหมือนกับหลวงปู่มั่นทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่แหละคือสมบัติที่เริ่มวิเศษที่พวกเรา อาจจะไม่รู้กันถ้ารู้ว่าเป็นสมบัติที่ือวิเศษนี่พวกเราจะหยุดหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ท, ที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้แต่เรายังไม่รู้กันถึงแม้ว่าจะมีคนมาบอกมีพระพุทธเจ้ามาบอกเราก็ยังไม่แน่ใจเพราะเรายังไม่ได้ไปเห็นกับตาวิธีจะเห็นกับตาก็ต้องปฏิบัติต้องฝึกสติต้องนั่งสมาธิ ถ้าจิตสงบเพียงครั้งเดียวแม้แต่ชั่วขณะอย่างเงี้ยเหมือนกับได้เห็นของเห็นมิพานแล้ะพอเห็นแล้วทีนี้จะเชื่อละทีนี้จะไม่หาลาภยุทธละเสริญจะไม่หาลูกเสียงสิตแล้วทะนี้จะหาแต่สมาธิหาแต่ปัญญาหาแต่ความสงบเนี่ยพอหาเท่าเดียวเดียวก็ได้พระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าถ้าใครตั้งใจจะหา สมาธิหาปัญญาหานี้พานนี่เจ็ดวันบางคนจะหาได้ถ้าเจ็ดไม่ได้ก็เจ็ดเจ็ดวันไม่ได้ก็เจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้อย่างมากก็แค่เจ็ดปีจะต้องได้อย่างแน่นอนถ้าตั้งใจหาถ้าไม่หาอย่างนง่นถ้าบวชมาแล้วไม่ไปหาอย่างเงินหาแต่สินหาแต่สมาธิหาแต่ปัญญารับรองได้ว่าจะต้องได้นี้พานอย่างแน่นอน นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเราได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้วหน้าที่ของเราก็คือเราต้องไปขึ้นรางวัลเราต้องไปรักษาศีลต้องยังสมาธิต้องเจริญปัญญาแล้วเดี๋ยวต่อไปใจของเราก็จะสะาด บ, บริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆความโลภต่างๆแล้วใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมา เป็นบอารมณ์สุขปัลลังค์สุขขังไปจนวันไม่จนวันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเราไม่มีวันตายความสุขทางรารยกยศสารเสรื่อมทางตาหูจมูกลิ้นการนี่มันก็มีแค่วันตายทนั้นเี้พอร่างกายนี้ตายไปความสุขที่ได้จากรารยกยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกล้าหายไปทําให้ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อย กลับมากี่ครั้งก็ต้องสูงไปทุกครั้งก็งเลยทำให้ต้องกลับมาพอกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ถ้าได้นิพพานแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะนิพพานจะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันสิ้นเมื่อมีความสุขแล้วทำไมจะต้องมาหาความสุขจากทางร่างกายในเมืม่อความสุขทางนิพพานนี่มันดีกว่าความสุขทางร่างกายตองหลายล้านเท่า ถ่าได้นิพพานแล้วจะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไปงั้นะขอให้เราไปขึ้นรางวัลกันนะเราได้ถูกออเดรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วไปถึงสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสอง้อยิบเจ็ดสินสามร้อยกว่าแล้วก็พยายามเจริญสติทั้งวนันทั้งคืนมีเวลานั่งสมาธิก็นั่งทำจิตให้รวมให้สงบเวลาออกจากสมาธิมาก็หัดสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ อั็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าประยากได้แล้วต่อไปจะไม่มีความอยากได้อะไรพอไม่มีความอยากจิตก็เป็นนิพพานเราก็จะได้รับรางวัล น, นั้นก็ขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแดะในสิ่งที่พระอริยสงสารมาสั่งสอนให้กับพวกเราขอให้เชื่อแล้วนําอกไปปฏิบัต รับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังจะได้รับรางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้จะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาปุราตะริปุเรนติสาคหลังเอวามวะอิโตทิมนางเปตานาังอุ ป, ปกาปะติ อิชิตังปัธิตังตุมหังเคลตเมวะสมิจจตุสัพเทปุรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายุ สุขีธีขายุโกภาวะอะพิวาธนสีลิสะนิจังุทธาปจายญโนจัตตารุธรรมวาัทานติอายุวโนสุขังพาลาสัทธุเดี๋ย ง, งเอาคำถามถามบ้างก่อนนะถ้ามีคำถาม อยากจะทำนะท่านอาจารย์ยทศจบแล้วก็ใครที่ยอมติดก็สอนสงสัยว่าลิปทานมีจริงไม่จริงนี่มาหายสงสัยนะพระพุทธเจ้ามีจริงไม่มีจริงนี่ของจริงเท่านั้นีดยพวกนี้ของวิเศษลักษณะลักษณะกา พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มีมนิพพานนิพพานนี้เป็นความสุขสูงสุดความสุขที่ถาวรสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะไปดูดอกไม้ดอกพงไม้กุหลารักษาศีลกันครับ ต้งผ่านรักษาศีลแปดกันบ้างวันพระเอาศีลแปดชักวันหยุดหาราบยกสรรเสริหารื่อถึองกลแล้ามหาสมาธิมาหาปัญญากันแ้าเดี๋ยวเราก็จะได้นิพพานกันตอนนี้เอาคำถามจากทางบ้านก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวครึ่งหลังจะมีช่วงภาษาอังกฤษประมาณทักสามโงขึ้ง คำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณนาราอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะมีโอกาสบรรลุธรร ม, ม, รรมได้ไหมครับถ้าเราสามารถอ่านแล้วเข้าใจแล้วทำตามได้ก็บรรลุได้คนบางคนไี่ไม่ไม่เคยปฏิบัติเพียงแต่ฟังพอฟังแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าสอนให้ทำได้ก็บรรลุได้เลยมีชายคนหนึ่งไป พ, พบพระพุทธเจ้ากำลังบินธบะอยู่ก็ขอ ทวมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนต้นก็บอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกกำลังบินทบาตอยู่แต่เขาก็ยืนยันว่าได้โปรดเถิดสอนผมแบบสั้นๆก็ได้พระพุเจ้าก็บอกว่า<ม>เธอเห็นอะไรก็ให้ศักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้ศักแต่ว่ารู้พอเขาจะขอได้ยินเขาก็ข้อใจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาบารรลุละ เขาทำใจได้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เห็นไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้ยินไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ให้รู้เฉยเฉยให้ได้ยินเฉยเฉยให้เห็นเฉยเฉยเนี่ยได้ยินเสียงด่าก็เฉยพวกเราไม่เฉยกันใช่ไหมใครด่าล้วก็โกรธขึ้นมาใครชมก็ดีใจหน้าบานานี่ไม่ใช่ต้องเฉยได้ ใครเขาชมก็เฉยใครเขาด่าก็เฉยใครเขาาไม้มาทุบมาตีก็เฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นไม่เที่ยนแค้นอาฆาตทายาบาเห็นอะไรก็ไม่มีความอยากจะได้เห็นอะไรก็เฉยสักแต่ว่าเห็นเห็นนาบเกจบนลรเสริญก็เฉยพอพ อ, พอพอพอพระเจ้าสอนเสร็จเขาคขออนุญาตไปดืดกลับไปเตรียมหา บริขารอัฐบริขารของพระของพะระระหว่างทางไปถูกกระเทงกระเทงขวิด ต, ตายพอคนมาแจ้งข่าวเนี่ยพระเจ้ า, าทราบพระเจ้าก็บอกว่ า, าทำทำศกให้เขาเสร็จแล้วก็สร้างเจดีย์สร้างสถูปเอากระดูกของเขาบรรจุไว้ในสถูป ก, การที่จะเอากระดูกของคนตายไปบรรจุในสถูปสมัยก่อนนี้หมายถึงว่าเป็นพระ หรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระมหาจักรพรรดิท่านั้นถึงจะทำเพรเป็นบูชนียสถานเป็นที่ทำให้คนระลึกถึงความวิเศษของบุคคลนั้นอันนี้ก็คือเขาต้องเก่งจริงๆฟังแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติตามได้ ท, ทันทีเหมือนกับตอนที่พุทธเจ้าแสดงทำให้กับพระปัญจะวะคัคคีพอพระพุทธเจ้าแสดงอนิจจังทุกขังวัณตา หนในพระปัญจวัคคีย์พระอัญยาโกนธัญญาก็เข้าใจทันทีปล่อยวางได้ทันทีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายถ้าไม่กลัวข้างตายแล้วร่างกายเกิดมาแล้วมันเกิดมาได้มันก็ต้องตายท่านเข้าใจว่าทุกอย่างมันอนิจจังไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไปถือว่าเป็นของเราก็จะเสียใจ เพรามันไม่ใช่มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาพอเข้าใจท่านก็บรรลุทำทันแรกทั้งโสดาบันได้นี่แหละคือพอพวกนี้เขามีกำลังมากแนะ้วกามีสมาธิใจเขาวานเฉยได้เขาไม่หวั่นไหวกับความตายกับาากบางชุนเสียอะไรต่างๆเขารับรู้ได้อย่า ง, างเฉยๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน พวเราต้องสุดใจให้เราเป็นอย่างนั้นให้ได้ถ้าเราสุดใจให้เราเป็นอุเบกขาได้แล้วต่อไปเราจะเฉยกับทุกอย่างนะใครจะเป็นใครจะตายเราก็เฉยเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเราทําไมต้องไปวุ่นวายกับเขาทําไ ม, มนี่มันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาใช่ไหมเราไปวุ่นวายแล้วทําให้เขาไม่ตายไหมเขาก็ตายอยู่ดีถ้าก็จะตายไม่มีใครไปหยุดเขาได้หรอกแต่เราจะทุกข์ไปเปล่า ข้อสองข้อที่สองนิพพานทุกคนสามารถเข้าได้ไหนครับด้วยเหตุใดครับถ้ามีสีนสมาธิปัญญาก็เข้าได้เหตุที่ให้ได้นิพพานาพก็คือสีนสมาธิปัญญาเหมือกับถ้าจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องมีเงินตีตัว๋วถ้ามีเงินซื้อตั๋วก็ขึ้นเครื่องได้ถ้าไม่มีเงินซื้อตั๋วก็ขึ้นไม่ได้ตั๋วที่จะไปนิพพานก็คือสีนสมาธิปัญญา คำถามจากคุณดารินดาเวลานั่งสวดมนต์เหมือนตัวลอยๆเกิดจากอะไรเจ้าคะอ๋อเวลานั่งนนเนี่ยจิตนรรดานสงบแล้วมันจะมีอากาศแปลกๆให้ให้เรารับเลยวบางทีก็ตัวเบาบางทีก็ว่างเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจบางทีก็สว่างบางทีก็ปิติขนลุกซาน้ําตาไหลอันนี้แต่ละคนมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันแต่มันเป็น ผลของการที่ทําให้ใจสงบในเบื้องต้นแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วจะหายหมดทุกอย่างจะว่างเหนือแต่ความว่างเหนือแต่สัก์แต่ว่ารู้คําถามจากคุณพิพิคงการบําเพ็ญของพระปัจเจกมีอะไรบ้างครับและต้องบําเพ็ญตีชาติครับก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าก in ็เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบําเพ็ญบาลาีสิต เนตตาบารมีศีลบารมีทานบารมีเนคขมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิฐานบารมีสัจจะบารมีเวรียบารมีขันติบารมีถ้ามีบารมีทั้ง1ิบนี้ก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าสั่งสอนก็เป็นพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สั่งสอนก็เป็นพระปัจเจกไ ควมนินยามครัอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของความว่างถ้าในขณะที่เราไม่ได้ทําสมาธิคือเราอยู่ในภาวะของเราปกติเนี่ยแต่เกิดความว่างทีเนี้ยโยไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงกับความว่างที่เกิดขึ้นนะคะ่ะมันดีไม่ดีอะมันเฉยๆนะคะแต่ไม่รู้จะทําวางใจยังไงหรือต้องทําตัวยังไงก็ถ้ามันไม่เป็นตัญหามันมันก็ควรที่จะให้มันว่างไปเรื่อยๆเพราะมัน ว่างนะั่นมันไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดนอนมันจะเฉยเฉยนั่นแหะคือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้จิตว่างให้จิตเฉยเฉยกับอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสอย่าไปกินอย่าไปอย่าไปเป็นเหมือนกับน้ํากับหยดน้ํากับกระดาษซับมันจะดูดกันใช่ไหมให้เป็นใบบัวกับหยดน้ำํำใจเรานี้เป็นเหมือนใบบัว หยดหน้ามี้เป็นเหมือนกับอารมณ์ต่างๆที่เรามาสัมผัส ร, รับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่มิจี้สอนเนี่ยเห็นอะไราก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไราก็สักแต่ว่าได้ยินถ้าใจเราว่างแล้วเราก็จะสักแต่ว่าเปน็นหมดจะไม่มีการตอบโต้กับสิ่งที่เรารับรู้พยายามทำใจใเราไม่ตอบโต้กับอะไรทั้งสิ้นไม่โต้ตอบอะไรทั้งสิ้นใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉย แล้วเราต้องประคองภาวะที่เรารู้สึกว่าว่างนั้นข้างในนี้ไว้ด้วยไหมคะถ้าเราประคองได้ถ้าเรารู้จักวิธีอยากรู้วิธีนั้นนะคะอาจารย์ก็ต้องใช้สติไงใช้พุดโธพุดโธคถ้ามันหายไปก็ใช้สติลืงกลับมาได้แล้วมันเกิดขึ้นเองในช่วงที่นี้มันมีสติช่วงที่มันปล่อยวางแต่มันชั่วคราวใช่ไหมถ้าพยายามสร้างสติขึ้นมาบ่อยๆแล้วมันก็จะว่างขึ้นว่างนานขึ้นว่างบ่อยขึ้นค่ะ คำถามจากคุณทองมีรุ่นพี่เขาขอให้หนูบอกให้สอนนักสมาธิสอนเดินโยมปฏิเสธเพราะโยมบอกที่เขาโยมไม่ใช่ผู้รู้ต้องให้ผู้รู้เขาสอนเช่นพาระหรือแม่ทีโยมคิดถูกใช่ไหมคะเราจะบาปไหมคะที่ปฏิเสธก็อยู่ที่ว่าเราไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วเรา เ ร, เราทำเราทเองได้เราก็ไม่น่าจะไปปฏิเสธเขาเหมือนถ้าเราขี่ขี่จักรยานเป็นแล้วมีน้องเขาอยากจะมาให้ช่วยสอนขี่จักรยานถ้าเราขี่เป็นเราสอนก็ได้ล้วก็สอนไปเราจะได้มีน้ำใจมีความเมตตาถ้าเรานั่สมาธิเป็นถ้าเ็ามาถามเราก็สอนไปตามเท่าที่รู้ก็แล้วกันแต่อย่าไปสอนเกินที่เรารู้พราจะเกิด การผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่รู้ก็ปฏิเสธก็ได้ไม่เสียหายไม่บาป ก, ก็แล้วแต่ว่าเรามีความมั่นใจในความรู้ของเราหรือไม่ถ้าเราไม่มีความมั่นใจก็ให้เขาไปหาผู้รู้ดีกว่าก็ถูกต้องไม่บาปไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ก็ก็ก็ช่วยเขาเลยไม่ดีกว่าเลย คำถามจากคุณอดิเลกการสวดพระอภิธรรมศพนั้นสวดเพื่ออะไรครับเคยความจริงมันไม่มีเพื่ออะไรหรอกเพราะงานศพมันไม่ต้องสวดก็ได้นะงานศพก็เผาไว้อย่างเดียวแต่ทีนี้ mm hmm. พวกเรามันชอบพิธีกรรมนันไปนั่งดูศพเฉยๆแล้วมันไม่รู้จะทําอะไรกันก็เลยนีม น, นุษย์มาสวดแน่นอนการสวดพระอภิธรรมนี่ก็เป็นสวดคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้เกี่ยวกับเรื่องศพเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยนะ่หละเรอง เราควรเราเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสอนธรรมะแต่เป็นภาษาบาลีพวกเราเลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่าพระสวดให้กับคนตายไม่ได้สวดให้กับคนเป็นตามจริงพระกําลังสวดให้คนเป็นเพราะคนตายมันไม่ได้ยินแล้วคนตายไม่จําเป็นจะต้องสวดที่สวดก็สวดให้กับคนเป็นแ ต, แต่ถ้านที่จะสวดเป็นภาษาไทยก็ไปสวดเป็นภาษาบาลีเท่าก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง ควาจริงควรจะให้พระเทพอย่างที่เราคุยกันอย่างเงี้ยใครงานสวดก็นิมนต์พระมาเทพมาคุยกันมาถามเรื่องเป็นเรื่องตายกันว่าคนตายน่าไปไหนบ้างอใครตายกันใครไม่ตายกั น, นเวลาที่สวดก็สวดเรื่องราวเหล่านี้ให้พวกเราฟังกันแต่พวกเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยคิดว่าสวดให้คนตายก่อนพระจะสวดยังน่าไปคลอดลงใช่ไหมเฮ้ยเดินกันมาฝัง จริีๆคนตายไม่มีวันที่จะฟังได้แล้วแหละเพราะผู้ที่ฟังไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วผู้ที่ฟังไปแล้วไปตามบุญตามบาปแล้วไปเกิดตามบุญตามบาปแล้วถ้าบุญพาไปก็ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าบาปพาไปก็อาจจะไปเป็นตุ๊กแกไปเป็นแมวเป็นสุนัขแล้วที่ส่วนนี่สวด ใ, ให้คนเป็นอต่ไปสวดภาษาบาลีเพราะเขาคิดว่าขลังเนี่ยสวดภาษาพวกเจะเจ้าแล้วขลัง มันไม่ขังอะถ้าคนฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเหมือนถ้าเราไปเรียนหนังสือแล้วเขาสอนภาษาภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องเราอย่าไปเรียนรู้เรื่องนะ<ม>ใช่ไหมก็ต้องสอนภาษาที่เราฟังรู้เรื่องธรรมะก็เป็นความรู้อย่างเนี่ยเหมือนกับความรู้ที่เราเรียนตามโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยพุทธศาสนากับพุทธศาสตร์จิตศาสตร์ สอนเนี่ยเรารู้เรื่องจิตใจรู้เรื่องกายเรื่องของร่างกายว่ามาจากอะไรเป็นอะไรอย่างไรต้องสอนด้วยภาษาไทยคนจะสวดภาษาไทยแต่แตกกลับไปสวดภาษาบาลีญาติโยมก็เลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วอะไรที่ว่าไม่ได้สวดให้ญาติโยมฟังที่ว่าสวดให้คนตายฟังไปก็ น, นี่ก็คือเรื่องของการสวดงั้นถ้าสวดแบบนี้ก็อย่าไปสวดให้เสียเวลาดีกว่า เพราะราไม่มีใครได้ประโยชน์คนตายก็ไม่ได้ประโยชน์คนเป็นก็ไม่ฟังเพราะที่เราสวนให้คนตายใช่ไหมคนเป็นก็เลยคุยกันนะส่วนใหญ่เวลาภาคสวดกันนี้นคุยกันจอนะ่อเลยคําถามจากคุณธัญรัตน์ลูกอายุ8ขวบชอบฝันว่าได้ขึ้นไปกราบพระไปเที่ยวบนสวรรค์บ่อยๆตอนท้องแม่ชอบสวดมนต์และชอบพาลูกไปวัดบ่อยๆโดยเฉพาะที่วัดบ้านตาติรค่ะ ลูกจะเป็นอะไรไหมคะตัวลูกหรือตัวแม่ตัวลูกตัวลูกไม่เป็นหรอกจะด้ว่าลูกมีบุญเก่ามาเยอะอะติดเขาเคยทําบุญมาเข้าเคยเข้าวัดมามันฝังอยู่ในความทรงจําเขาเวลานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมาให้เขารับลู้ทําะทำดีไว้มันก็จะฝังไว้ในใจทําบาปมันก็จะฝังไว้ในใจถ้าทําบาปมากนอนหลับมันก็จะฝัญร้าย มันจะมีแต่เรื่องบาป ท, ที่เราทำกลับมาร้อนเราหลอกเราคาถามจากคุณทวิชัยหลังจากจิตสงบ แ, แล้วเห็นเวทนาและเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาสักแต่รู้เวทนาเช่นนี้เรียกว่าเห็นขันห่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมครับก็ต้องดูว่าเวลามันเจ็บจริงๆแล้วเราเห็นเฉยๆได้หรือเปล่า ถ้าเวลาปวดท้องปวดหัวปวดอะไรแล้ว เ, เราเฉยๆไม่กินยาก็ได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็แยังว่าเห็นแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆแล้ววิ่งหายากระหุ่นงี้ก็แสดงว่ายังไม่เห็นเห็นในสมาธินี่เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนเห็นหนังตัวอย่างยังไม่ได้เห็นหนังจริงเห็นหนังจริงตั้งตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิตอนที่ถูกเขาทุบหัวเงี้ยถูกเขาตเตะเงี้ย แล้วดูที่ว่าใจเฉยๆหรือเปล่าถ้าใจไม่เฉยใจโกรธใจโมโหใจเสียใจนี่ก็แสดงว่าไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้เห็นขันท่าว่าไม่ใช่เป็นของเราลยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่เราถึงโกรธกันใช่ไหมแสดงว่าเป้าหมายคือต้องทาได้นะคะวาปกติใช่จะนั่งสมาธิมันเป็นเพียงการทำการบ้า น, น่งถ้าเราไม่ทำการบ้านก่อนเวลาเราไปสอบเลยจะสอบได้ลรือเปล่าใช่ไหม ตอนต้นก็ไปเรียนจากห้องเรียนก่อนเนี่ยตอนนี้มามาเรียนในห้องเรียนแล้วเดี๋ยวก็ไปทำการบ้านไปนั่งสมาธิไปแยา ก, กายออกจากจิตจิตออกจากกายแล้วต่อไปก็เวลาไปทำงานไปพบปะไยที่ไหนเจอเหตุการณ์อะไรที่กระทบกระเทือนกับร่างกายดูซิว่าใจกระเทือนด้วยหรือเปล่าถ้าใจกาใจยงังสะเทือนอยู่ก็แสดงว่าใจยังยังติดอยู่กับร่างกาย่ถ้าใจไม่สะเทือนเฉยๆร่างกายไม่เฉเรา มันก็แสดงว่าได้แยออกจากการเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราคุณถามจากผู้ไม่ผสมออกนาม น, นะครับดิฉันนั่งดูเวท น, นานาถึง7ชั่วโมงก็ไม่ดับเพราะวางใจให้เป็นกลางยังไม่ถูกดิฉันจะถามพระอาจารย์ว่าวิธีวางใจให้เป็นกลางคือทําแบบไหนคะก็เฉยๆไงไม่ให้ไปมีอะไรกับเวทนาไม่ต้องไปอยากให้มันหายหรือไม่หาย มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะหายก็ปล่อ ย, ยมันหายไปเราไม่ไปยุ่งกับมันเรายุ่งกับใจเราตัวเดียวคือทําใจให้เราเฉยไม่ให้ไปยุ่งกับใครข้อที่สองสภาวะธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมที่ใช้คําบริกรรมพุทธโธกับหนอนี่สภาวะธรรมจะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเนะี่ยเพราะมันเป็นบูบายของการสร้างสติบางทีก็พุทธโธบางคนก็ยุบหนอะบางคนก็ดูลมหายใจ เดี๋ยวจิตก็รวมสมันก็ดิ่งลงไปสู่ความสง บ, บตกหลุมตกบ่อบ้างไม่ตกบ้างแล้วจิตก็เฉยกับทุกอย่างข้อที่สามจะนั่งสมาธิเช้าเย็นนั่งบางทีก็ได้หนึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงครึ่งใครพูดอะไรก็ใจเย็นโกรธแต่วันก่อนดิฉันมีอาการโกรธมากกว่าจะทำใจได้ประมาณหนึ่งคืนค่ะ หรือว่าเป็นเพราะพักหลังนี้ดิฉันนั่งสมาธิน้อยลงบางวันก็ไม่ได้เลยทำให้สติดิฉันลดลงเกี่ยวกันไหมคะก็มีส่วนคือนั่งสมาธิน้อยมันก็ทำให้สติมีน้อยและเวลาไม่ได้นั่งก็ไม่ไม่รักษาไม่สร้างสติเลยไม่พุโทโธเลยมันก็เลยไม่มีอะไรคอยหยุดใจพออะไรมากระทบใจหน่อยก็ไปเลยงั้น ถึงแม้ไม่ได้นั่งก็อย่างน้อยก็ควรจะพูดโทรไปเรื่อยๆไม่มีเวลานั่งก็เวลาทําอะไรก็ให้พูดโทรไปอาบน้ําแต่งตัวกินอาหารก็พูดโทรพูดโทรไปอย่างนี้มันยังพอที่จะมีอะไรคอยหยุดอารมณ์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งสมาธิก็ตามคำถามจากคุณสมชัยการเจริญปัจจนาต้องทําอย่างไรครับพระอาจารย์ ก็อย่างที่สอนเนี่ยให้มองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงไม่ใช่ตามความรู้สึกนึกคิดของเราตามความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าไอ้นั่นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราไอ้นั่นกระสุไอ้นี่กระสุนอนันกระเทียงไอ้นี่กระเทียมเนี่ยอันนี้เป็นความมิจฉาทิฐิความรู้สึกนึกคิดที่มันไม่ใช่เป็นความจริง ความจริงก็คือทุกอย่างมันทุกทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเน้นต้องหมั่นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรมีอะไรก็บอกนี่ไม่ใช่ของเรานะี่ยเดี๋ยวสักวันจะต้องจากกันเงินในกระเป๋านี่เดี๋ยวสักวันก็ต้องจากกันแฟ น, นที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวสักวันก็ต้องจากกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่เรามีอยู่แม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวสักวันก็ต้องจากกันให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าวิปัสสนาคํำถางจากคุณชิน โดยจาบเงินให้มูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือมูลนิธิผู้ประสบภัยถือเป็นการทําทานหรือไม่ถือเป็นบุบญกุศลที่อุทิศให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่เหมือนกับสังฆทานไหมคะเหมือนกันได้ห้คำถามจากคุณลักษดาไม่อยากฆ่ามดเลยค่ะแต่มดมันอบขยุกเข้ามาในห้องนอนเรากัดเจ็บมากทําไงดีคะ ก็หน like ีย yani ันสิมันก็กวาดไล่มันไปไม่ต้องฆ่ามันจริงแต่กวาดัปก็ได้เอาไม้กวาดอ่อนกวาดไล่มันไปกวาดไปสักพักเดียวมันก็ถอยเองคำถามจากคุณกอฟเราจะตัดราคาและปั้นหาออกได้อย่างไรครับก็ต ok ้องดูอสตภาพไงที่เราเกิดราคาเพราะเราเห็นรูปของคนสวยงามน่ารักน่าใครเราก็ต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของเขา เป็นมองเข้าไปใต้ผิวหนังเขาหน้าตาเขาสวยแต่ใต้ผิวหนังของหน้าตาเขามีอะไรเคยคิดบ้างไหมมีกระโหลกศีรษะใช่ไหมมีหลองน้ำเลอีอ่ยอยู่ใต้ผิวหน้าเรามีอะไรเนี่ยถ้าเอาเอาหน้ากากออกนั่นจะมีอะไรก็มีแต่กระโหลกศีรษะแล้วก็ถ้าเอาเอาหนังออกเอาเนื้อออกแล้วจะเห็นอะไรก็มีโครงกระดูก มีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้หันลองสิ่งเหล่านี้บ้างคิดถึงสิ่งเหล่านี้บ้างแล้วการอารมณ์มันก็จะดับไปคำถามจากคุณปาณีดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะเกิดเห็นนิจังทุกขังมันตาเห็นอริยสัจสีเห็นว่าทุกเพ่อไปอยากในสิ่งที่มันอยากไม่ได้อยากในสิ่งที่ ที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอย่างในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราเนี่ยมันเลยทำให้เราทุกข์กันเพราะมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องจากเราไปเดี๋ยววันนี้จะมีช่วงภาษาอังกฤษเนี่ยพอแล้วยังเ<พ>อาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีก้อข้อตอนนี้มีเคยมีลูกศิษย์ที่ก็ติดตามทาง facebook ทํา youtube เขาก็ฟังแล้วเขาก็มีคําถามเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ส่งข้อความมา มีญาติโยมชาวสิงครปูร่ท่านก็เป็นคนคอยร่วมรวมแล้ววันนี้ก็จะมาเอาคําถามเหล่านี้มาถามแล้วก็ถ่ายทอดสดเพื่อเขาก็จะได้ไปติดตามฟังคําตอบฉะนนช่วงนี้ก็ขอยุดติการสนทนาถามตอบปัญหาธรรมในภาษาไทยแล้วก็จะให้ตัดการถ่ายทอดแล้วเดี๋ยวจะเริ่มการถ่ายทอดใหม่เป็นภาษาอังกฤษ ท่านที่ฟังสนใจอยากจะฟังในภาคภาษาอังกฤษก็ยังขอเชิญฟังต่อได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ